รู้แจ้งอย่างเซนวันที่14กุมภา2558กาบนมัสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณไม่ีกาลยมิตรทุกคนก็นั่นนงสบายๆเนาะเป็นปกติทุกคืนวันเสาร์าติธรรมก็ทยอยกันกลับไปตอนนี้เหลือครอบครัวเล็กๆของเรา ก็คืนนี้พรอครูก็ไม่ต้องหาอารมณ์อะไรที่จะมาเป็นการแสดงนะก็มีคําถามแก้ทิพย์ยืนให้เมื่อตอนเย็นนี้นะก็เป็นการตอบคําถามเนาะก็ยี่สิบหกปีก็ถามไปถามมาก็มีไม่กี่ข้อนั่นแหละคนใหม่ก็ถามถามถามแต่เรื่องเก่าๆแล้วก็พูดแต่เรื่องเก่าๆขนาดพูดแต่เรื่องเก่าๆ คนฟังก็ทิ้งเรื่องเก่าๆก็ยังไม่ได้ยังอยากจะฟังของใหม่จริงๆแล้วธรรมะมันไม่มีอะไรมนุษย์เราสร้างให้มันมีข้อที่หนึ่งคนที่สงสัยกับคนมีปัญญาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรภาษามันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วคนขี่สงสัยกับคนมีปัญญามันก็เขียนได้เหมือนกันเนาะถ้าคนมีปัญญาเขาก็ไม่สงสัย คนมีปัญญาที่แท้จริงก็หายสงสัยนะก็คำตอบมีแค่นี้คนขี้สงสัยก็คือพวกวิตกจริตมันมีหกจริตนะโลภะจริตโทสะจริตราคะจริตแล้วก็วิตกจริตศรัทธาจริตพุทธจริตคนขี้สงสัยคือพวกอยู่ในข่ายของพวก วิตกจริตนะพวกนี้วิตกวิจารณ์เยอะแต่ไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกมันเป็นอนุสัยเราสะสมมาหลายชาติทุกจริตมีโอกาสบรรลุธรรได้หมดมีแต่ว่าถ้าเราติดมันเยอะเราก็ต้องใช้เวลาเยอะหน่อยหนึ่งคนวิตกจริตเขาก็อ้างว่าถ้าเขาไม่ได้รับคำตอบที่เขาพอใจเขาก็ไม่เกิดศรัทธาเขาก็ไม่ยอมปฏิบัตินะ เขาก็มุ่งหาคำตอบแบบเหตุผลแบบตรร ก, กะเขาก็ต้องเสียเวลาหน่อยหนึ่งแต่ถ้าบุญบา ร, รมีเขาเยอะเขาก็ไม่หยุดเขาก็สแสวงหาปฏิบัติแต่เขาเสียเวลาหน่อยหนึ่งคนที่มีปัญญานั้นน่ะสมมติป็นพุทธจริตฟังนิดเดียวเข้าใจเยอะๆแล้วพอเขาเข้าถึงแล้วคนมีปัญญาแล้วเขาก็ไม่มีข้อสงสัยมันเป็นเรียกว่า กังขาวิตาะณวิสุทธ์ข้อกังขาไม่มีอีกแล้วหายสงสัยหมดนะข้อที่สองทำไมจึงบอกว่าคนคิดเป็นคือคนไม่คิดไม่ใช่คนคิดเก่งคนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เรียกว่าคนคิดไม่เป็นอันนี้พรอครูพูด บ, บ่อยๆนั่นแหละถ้าเราไม่คิดอะไรเลยคนอื่นเขาจะไม่หาว่าเราโง่หรือ อันนี้เป็นเรื่องของโลกวิสัยเป็นยุคที่เราเกิดมาเนี่ยเราถูกสอนให้เป็นนักคิดต้องคิดเก่งๆนะคิดเก่งๆมันถึงจะสําเร็จนะทีนี้คิดปุ๊บก็เป็นมโนกังเห็นไหมเหมือนเราต้องสร้างกรรมเก่งๆนะต้องสร้างกรรมเยอะๆเธอจะได้เป็นคนดีเธอจะได้เป็นคนเก่ง เราปฏิเสธไม่ได้ที่เราคิดเนี่ยเนื่องจากเรามีความอยากเราอยากมีอนาคตเราอยากจะสําเร็จเราจึงคิดนะก็ความอยากคือตัวสมุทยัยคือที่มาของทุกข์เราก็รู้เรากราบพระพุทธเจ้าเราก็าาากาอ่านภาษาที่พระองค์เป่งสอนเราเราก็รู้เราก็รู้อ่ารู้หมดทุกคนเข้าใจแต่ไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้แล้วก็สนองความอยากเราเหมือนเก่าเห็นไหม คนคิดเป็นคือคนไม่คิดไม่ใช่คนคิดเก่งทำไมไม่คิดเมื่อเขาปัญญารู้แจ้งแล้วว่าอะไรก็ไม่ใช่เมื่อเขาทำลายอัตตาตัวตนทำลายความอยากแล้วเขาไม่มีอนาคตแล้วเนี่ยทำไมเขาต้องคิดที่เราคิดเพราะเรามีอนาคตเราถึงคิดวางแผนแต่ถ้าเราไม่มีมีอนาคตแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุต้องคิดจะไปคิดสร้างมโนกรรมทำไมคิดจนนอนไม่หลับคิดจนเครียด คิดกังวลคิด่วงใจคิดสงสัยคิดว่าวุ่นแล้วก็คิดกลัวความกลัวทำให้เสื่อมเห็นไหมที่มาของมันก็คือความอยากนั่นแหละนะพุทธเจ้าพูดสั้นๆทุกสมุทัยนิโรธมรรคสี่คำนี้รวมทั้งหมดเลยนนั้นถ้าเราเข้าใจแค่สี่ข้อนี้แล้วปฏิบัติให้มันเข้าถึงจริงๆนะนั่นจะคือทางพ้นทุกขหม แล้วก็ไม่ไม่สร้างมโนกรรมนะไม่จําเป็นต้องคิดไม่มีเหตุต้องคิดนะทํางานทําเพราะทําทําเพราะหน้าที่หิวก็กินง่วงก็นอนแต่ตอนนี้ไม่ใช่เราต้องการกินอาหารที่มันบอกว่ามันแพงมันถึงจะดีดแล้วก็ดิ้นรนขวันขวายหาเงินเพื่อจะไปสนองตัญหานะเวลาหาเงินก็ทุกข์ เวลาจะกินก็ยังทุกข์อยู่กําลังอร่อยอยู่เขาแย่งไปก็ทุกข์อีก <c oughs> นะเออกินเยอะๆก็ต้องเข้าห้องน้ําเยอะๆเห็นไหมคือเขาห้องน้ําเลยเอไปปล่อยทุกข์เห็นไหมก็รู้อยู่แล้วมันทุกข์ไงแล้วกินทุกข์เข้าไปทําไมแล้วก็ต้องไปเสียเวลาปล่อยนะเรารู้หมดเรารู้หมดทุกคนรู้คําสอนพระพุทธเจ้านะ แต่เราไม่เคยเชื่อคำส อ, สอนไม่เชือเ่อพระองค์เลยมีแต่อ้างคำพูดกับพระองค์ามาแสดงแต่ไม่เคยทำตามพระพุทธองค์เลยมีแต่อ้างคาพูด <ค Brooks. S 2> พระองค์พูดว่าอย่างนั้นพระองค์พูดว่าอย่างนี้พระองค์ตัดว่าอย่างนี้พระองค์ตัดว่าอย่างนี้แต่ไม่เคยทำตามที่พระองค์ทำเลยแล้วมันจะไปนผลทุกข์ได้อย่างไรนะ <lux. S 2> คำนี้พระครูพูดเมื่อ26ปีที่แล้ว หลังจากมันเกิดอาการระเบิดเพราะอันนี้นเป็นเรื่องเรียกว่าอะไรเป็นอนุสัยเราเลยหรืเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ถูกสอนมาตั้งเด็กเลยเลี้ยงเก่งๆหาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วจะมีความสุขมันก็สื่อสาตย์มากมันก็คิดจะทํายังไงให้มันรวยให้มันชนะเห็นไหมเกมนั้นเราก็เล่นเหมือนเราชนะเราได้ผลตอบแทนคือเงินแต่เราไม่เคยเจอความสุขเลย แถมได้รางวัลชีวิตอีกคือได้เป็นไมเกรนเป็นโรคความเครียดลงกระเพาะเห็นไหมพอมันระเบิดปุ๊บเราเห็นเลยโอ้ดวนหลอกมายี่เท่าไหร่สี่สิบปีวิ่งไปตามโลกจริงๆแล้วมันคนคิดเป็นคือคนไม่คิดไม่ใช่คนคิดเก่งคนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เรียกว่าคนคิดไม่เป็นคนคิดเป็นคุณจะไปคิดให้มันทุกข์ทำไมคิดจนไม่หลับไม่นอนคิดจนเครียด เเราสนองความอยากตลอดเวลาเราเป็นคนแค่คนคิดเก่งแต่เราคิดไม่เป็นนะอันนี้ก็คือคำตอบก็พูดมายี่สิบกว่าปีแล้วละ่ะทีนี้ <c oughs> เพราะกูเข้าใจมันจะไปขัดแย้งกับกิเลสความเคยชินของคนยุคนี้เพราะเราถูกสอนให้เป็นนักกิดได้ยังไงเราจะเลิกคิดได้ยังไงนะทำไมไม่ได้ตำรวจจับไหม ต้องขอวีซ่าหรือเปล่าไม่ต้องไม่ได้ผิดอะไรเลยไม่คิดเลยกลับดีซสอีกไม่ต้องเสียเวลาเห็นไมแต่กิเลสบอกได้ยังไงได้ยังไงได้สบายสบายไม่ต้องเสียเวลาไปคิดด้วยแต่กิเลสเราไม่ยอมนะอันนี้เชื่อมโยงกันข้อสามยิ่งปฏิบัติทำไมคิดอะไรไม่ออกเลย ใครถามอะไรรู้สึกเบล อ, บอคิดไม่ทันหัวเลาะแสดงว่าเป็นอย่างนั้นทุกคนกำลังจะสมาเร็จวิชาแรกแล้วเป็นการปฏิบัติผิดหรือไม่ไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายพระอรหันต์จี้คงนี่จินเล่ามอมสมองซีกซ้ายให้มันคิดไม่เป็นให้มันเบลอ ถ้ามันยังคิดอยู่จิตมันตื่นรู้ไม่ได้ที่พวกเราช่วงปฏิบัติเราเวียงเราเวียงเราเหวี่ยงมันก็ไปขัดแย้งกับกิเลสเรามันคิดตลอดเวลาทีนี้มันก็ต่อสู้กันสองด้านไอ้ตัวคิดมันยังคิดอยู่ไอ้จิตมันก็เลิกคิดมันก็ทําให้เราเบลอๆนะเพื่อทําให้กําลังทางฝ่ายคิดนี่มันอ่อนแอช่วงที่เดินทางมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะแล้วกลายเป็นว่าไม่ใช่คิดไม่เป็นนะคิดลืมด้วย จริงๆแล้วเราไม่ได้ลืมแต่จิตมันไม่จำเพราะครูยี่สบกปีไม่เคยลืมเลยเพราะพวกครูไม่เคยจำเลยมันไม่ต้องไปจำอย่างเราขับรถเดินไปที่พักปุ๊บมันแขวนอยู่ตรงไหนก็แขวนอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องว่าเออเดี๋ยวเด๋วไม่ได้ต้องแขวนอยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องไปจำไงเราเปลี่ยนระบบชีวิตเราใหม่พราะพอไม่จำแล้วมันก็ไม่ต้องแบกขยะความจำเป็นสัญญา เป็นสัญญาไปเพิ่มขยะให้มันคนที่จําเก่งๆเก่งแค่ไหนเดี๋ยวมันก็ลืมนะมันก็ลืมแลเหมือนเราท่องจําท่องจําไปสอบเนี่ยทําไมสอบบางครั้งก็จําไม่ได้เนี่ยเพราะเราจําไม่อยากลืมคือไม่ต้องจําอาการที่มันเบื่อเบื่ช่วงที่เรากําลังปรับสมดุลอยู่เนี่ยเป็นเรื่องปกติของมันช่วงที่เรากําลังเดินทางเนี่ยก็หลีกเลี่ยงในการไปเล่นเกมเขา ไปเล่นเกมข้างนอกเขาทำไมภูบาจารย์ท่านปีวิเวกในอดีตท่านหนีเข้าป่าเห็นไมกิจมันจะได้มุ่งมั่นแต่พอเราออกไปสังคมแล้วเนี่ยเราก็ต้องระแวดระวังเห็นไมเพราะเขาสู้กันเรื่องความคิดเขาสู้กันเรื่องความรู้ <c oughs> แบบข้อมูล พกูครูยี่สบหกปีกลับมาจากเมริกาใหม่ๆนะตอนนั้นก็จําเป็นต้องเดินทางมีครั้งหนึ่งต้องไปกระทรวงต่างประเทศตอนนั้นมีที่เดียวในประเทศไทยที่ทําหนังสือเดินทางหรือต่ออายนะุมันไม่มีสะดวกแบบทุกวันนี้ไปยืนเรียงแถวบอกยาวเลยจิตพวกครูไทยเรามาทําอะไรเนี่ยทําไมเราต้องมาเล่นเกมนี้เห็นไหมถ้าคุณอยากเดินทางคุณก็ต้องไปเล่นเกมเขากูก็ต้องมีขันติก็ยืนก็ยืนไง แ้่พักมันเลือกได้คือมันเลือกว่าไม่ต้องไปเล่นเกมเพราะข้างนอกมันก็เป็นอย่า ง, งานั้นก็เป็นอย่า ง, งานั้นไม่ใช่ถูกไม่ใช่ผิดแล้วเป็นอย่า ง, งานั้นแล้วเป็นอย่างไ ง, าา ง, งาทุกท่วนหน้าสาธารณาทุกไงก็ที่พระครูบอกวิชาแรกที่เราปฏิบัติแล้วเราจะสําเร็จก็คือเราจะเป็นคนเพีย้ยนเราจะเพี้ยนในสายตาเพื่อนฝูงหมู่คณะเคยไปกินเหล้ากอดคอกันมาอยู่ๆก็เลือกกินบอกไอนี้มันเพี้ยนแล้ว นะชวนไปไหนก็ไม่ไปเราจะเป็นเพี้ยนในสายตาคนอื่นถ้าเราไม่มีขันตินะไม่มีศรัทธาตั้งมั่นแล้วนี่ทุกคนแพ้มันเพราะผู้หวังดีประสงค์ร้ายเยอะมากนะพระครูนี่แหละตัวลายสมัยก่อนรักเพื่อนมากเพื่อนเยี่ยมมาปึ๊บไปเมาลินเล่าให้เพื่อนเอาบุหรี่ให้เพื่อนจุดไฟแช็กให้มันด้วยเพราะเรารักมันไงกลัวมันตายช้าชนแก้วชนแก้ว แต่หลังจากเราเราเบิดแล้วนี่เรากลายเป็นเพี้ยนมันบอกเราเพี้ยนแล้วนั่นแหละในสายตาเขาถ้าเราอดทนคําว่าเพี้ยนไม่ได้นี่เราก็เดินต่อไม่ได้ปฏิบัติไปปฏิบัติมาเอา้าชักเบือเบอเอ๊ะคิดอะไรก็ไม่เป็นนั่นแหละคือกําลังพิษคิดไปคิดเป็นแล้วเราจะเป็นคนสิ้นคิดเราจะเป็นคนสิ้นคิดนะเพราะไม่มีอนาคตต้องจะไปคิดทําไมะแต่คนโลกกลัวมากคนสิ้นคิดนะ คนสิ้นคิดก็คนไม่สร้างมาโนุกรรมไงแล้วก็อยู่สร้างกรรมแล้วไงเห็นไหมจิตมันพยายามทําให้เราเลือกคิดนะทํางานไม่ต้องคิดกินข้าวไม่ต้องคิดขับรถไม่ต้องคิดเดินไม่ต้องคิดถ้าขับไปด้วยฟังโทรศัพท์ด้วยคิดด้วยพูดด้วยนั่นแหละเดี๋ยวชนกันขับรถทําไมต้องคิดอ่ะก็ตั้งมั่นมีสมาธิสติก็อยู่กับมันนะเพราะเราอยากไงขับรถไม่พอเนะี่ยพูดโทรศัพท์ด้วยคิดด้วยพูดด้วยอันนั้น สร้างกรรมเยอะแยะเลยนะเมื่อคิดมากๆมันก็ปวดหัวนี่คือผลของมนโนกรรมนะก็เป็นเรื่องปกติเนวิชาที่สองเราจะเป็นคนสิ้นคิดแล้วปฏิบัติไปเรื่อยถ้าไม่หยุดเนวิชาที่สามเราจะเป็นคนไม่มีอนาคตเราจะอยู่ปัจจุบันไม่ใช่งอมืองอเท้าเราก็ทํางานอย่างขยันขันแข็งนะมีความสุขกับสิ่งที่เราทํา ไม่ใช่ทําด้วยคิดถึงอนาคตด้วยทำแล้วจะไปนนท์ไปนี่นะทำห้าสิซคิดห้าซแล้วก็ทําถูกทําผิดอนาคตพรุ่งนี้เป็นยังไงก็ได้50ซแต่ถ้าเราไม่มีอนาคตเราตั้งมั่นทํากับมันร้อยเมีความสุขกับมันอารมณ์แทรกไม่ได้นั่นคือความสุขอย่างยิ่งพรุ่งนี้ผลของงานได้ร้อยเปเเราจะเป็นคนไม่มีอนาคตและอันสุดท้ายนี่ คนเพี้ยนคนสิ้นคิดคนไม่มีอนาคตสามอย่างนี้ถามว่าคนในสังคมรับได้ไหมแค่นี้พูดหยาบๆกูไม่เอาไว้มันเป็นบ้าเหรอเรียนมาเกือบตายนะทให้ไม่มีอนาคตแล้วถ้าไม่หยุดเดินทางเนี่ยวิชาที่สี่เราจะบรรลกุก็คือไม่มีวันผุดวันเกิดเอาไหมถามกิเลสมันเอาไหมเอออันนี้ก็เป็นเรื่องเราชู่ความจริงไงเราปฏิบัติธรรม คือมาเดินทางเครื่อพ้นทุกข์ถ้าเกิดอีกมันพ้นหรือเปล่าวันแรกเกิดมาก็แหกปากลองแล้วไงเห็นไหมนั่นแหละปฏิบัติปฏิมาเราจะไม่มีวันผุดวันเกิดนั่นคือเป้าหมายของเราที่บอกให้ปล่อยให้วางไม่รู้จะวางยังไงยากยากถามว่าตำรวจจับไหมไม่ต้องขอวีซ่าต่างหาก ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องขออนุญาตใครมันวางยากได้ยังไงมันยากเพราะมันง่ายเห็นไหมไม่ต้องขออนุญาตมีอะไรง่ายขนาดนี้ น, ะนี่ยกขึ้นต้องวิ่งไปหาวิธีวางไหมเอ<ะ>ถ้าอยากเบายังไงก็วางไงไม่ต้องมีเทคนิคไม่ต้องไปฝึกวิธีบา้บาบา้บาบบอะไรทั้งนั้นนะเสียเวลาวางเลยเห็นไหม ที่เราทุกข์นี่เพราะจิตไม่ว่างที่มันไม่ว่างเพราะมันติดไม่เอกเวียงไม่เอกทิ้งเดี๋ยวนี้บรรลุเดี๋ยวนี้เวียงพรุ่งนี้บรรลุพรุ่งนี้คือวางแล้วมันก็ว่างมันจะยากอะไรมันยากเพราะมันง่ายมันเป็นเส้นผมบางภูเขาอะนะไม่มีอะไรง่ายกว่าสิ่งนี้อีกไม่ต้องไปเรียนเทคนิคบ้าบอไปฝึกวิธีวางไ ม, ไม่ต้องวางเลยเห็นไหม เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนวิชาใดๆทั้งนั้นนะเกิดมาเพื่อเดินทางต่อแต่จะเดินทางแบกแบกแบกอันนี้แบกไปด้วยเนี่ยมันไหวไหมล่ะมันก็ต้องไปบางตัวเบาๆสิเพราะครูเคยบอกว่ากระดาษขาวใบหนึ่งเอาเข็มเจาะป๊อกไอ้รูเข็มนี่ใหญ่เกินไปนะทางไปนิพานน่ยต้องหารู้กี่ร้อยเท่าเราจะแบกหัวโขวนต่างๆไปด้วยได้ไหมไม่ได้ วางวางก่อนเดินไปแบบตัวเบาๆนะมันถึงเมื่อไหร่ช่างมันเรามีหน้าที่เดินทีนี้คำว่าวางนี่นะเมื่อกี้จิตพระครูกระแว บ, บขึ้นมามันมีคำบอกกล่าวกันมาตัวนะ่ะอาจารย์เซนเนี่ยสองท่านเดินไปด้วยกันบังเอิญไปเจอสตีท่านหนึ่งตกน้ำช่วยด้วยช่วยด้วย อีกท่านหนึ่งฉันไม่ยุ่งฉันจะไม่สมรวมอีกท่านหนึ่งก็วิ่งโดดลงไปช่วยสตีคนนั้นอ่ะขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็กะทั้งก็เดินกลับไปวัดอีกลูกหนึ่งไปฟ้องอาจารย์เนี่โกรธมากเลยบอกผมเตือนแล้วก็ไม่ฟังนะเนี่ยเนี่ยผิดศีลไปจับตัวสตีเขาไปจับนั่นผิดศีล อาจารย์บอกว่าเขาวางตั้งนานแล้วท่านยังไม่วางเหรอแบกบอยู่ตรงนั้นแหละอันนั้นเ้าทำเพราะทำอันนี้ตัวเองไม่ได้ทำตัางหากไม่ช่วยชีวิตแล้วก็ยังแบกนี่ไปฟ้องอาจารย์อีกวางไม่ได้ไปว่าทิ้งภาระหน้าที่วางความยึดมัน่นถือมั่นแม้กระทั่งคนหลงศีลศีลศีลมีไว้อะไร เรายึดศีลไปแนวทางเดินอย่างมีสติถ้าไปหลงศีลไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่เนี่ยแล้วมันจะไปไหนล่ะมันก็ติดดีไงติดดีจนว่าคนอื่นไม่ดีนะก็พ่อครูเคยเล่าให้พวกเราฟังนะคนเก่าๆอย่างนี่เกือบยี่สิบปีก่อนนั่นแหลนะมีคณะญาติทำครูบาอาจารย์มาเยี่ยมพระครู <c oughs> หลายสิบคนหลวงพี่ท่านก็ถามพรอครูว่า พ่อครูยึดแนวทางไหนตอนนั้นเขาเรียกอาจารย์บัญชานะสมัยก่อนเขายังไม่เรียกพ่อครูนะเขาเรียกยังไงก็เรียกเป็นชื่อสมมุตินะพ่อครูบอกพ่อครูไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านก็บอกว่าพ่อครูไม่ยึดมั่นถือมั่นขึ้นต้นไม้พ่อครูก็ตกลงมาพ่อครูก็มองทำไมพูดอย่างนั้นพวกกว่อครัวหลวงพี่กอดอยู่ตรงนั้นแหละอย่าปล่อยนะ มันไม่ตกมันขึ้นต่อไปได้หรือไม่เนี่ยขยึดมั่นถือมั่นนะหลงศีลแ่ะเรายึดศีลเป็นปแนวทางเดินอย่างมีสติแล้วก็วางเพราะกูก็เรียนถามท่านว่าสมมุติว่าฝั่งนั้นเป็นนิพพานสมมุตินิพพานมันไม่ใช่แดนอะไรหรอกนะเราจะข้ามฝั่งเราต้องมีเรือเรือนี่เปรียบเสมือนศีลเราต้องมีสมาธินี่เปียกเราต้องมีพายี่เปรียบเสมือนสมาธิเราต้องมีเข็มทิศนี่เปียบเสมือนปัญญา นะถ้าไม่มีเข็มทิศก็พายไปไม่รู้ทิศไหนเป็นทิศไหนถามว่าเมื่อเราถึงฝั่งแล้วเราจะแบกเรือขึ้นไปด้วยไหมเหินศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นแค่เครื่องมือในการเดินทางยึดศีลเป็นปแนวทางเดินอย่างมีสติไม่ใช่ไปหลงศีลก็คำถามต่อไป การฟังธรรมฟังอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดบางทีอดหลับอดนอนตีสองตีสามไปฟังหมอลำซิ่งไปทำเขาเต้นหมอลำฟังลิเกยอะไรเนี่ยสนุกสนานแม้กระทั่งไปนั่งฟังเทศฟังธรรมเนี่ยถ้าเราฟังไม่เป็นเนี่ยก็ได้ผ่อนคลายอารมณ์นะได้เอาอาหารให้กิเลส ก, กินปลื้มปิติดีใจสนุกสนานกลับบ้านไม่ได้อะไรเลยได้กิเลสกลับบ้าน ก็วันนี้จิตมันยกตัวอย่างไปทางเซนหมดเลยนะทางนั่นหมดก็ครั้งหนึ่งอาจารย์ตักหมรหรือพระโพธิธรรมเลถูกนิมนต์ให้ไปเทศท่านเดินทางมาจากอินเดียไปเมืองจีนน ะ, ะท่านก็ามาท่านก็ไปนั่งธรรมะแล้วก็นั่งหลับตาพระคุณเจ้าเป็นร้อยลูกนั่งอยู่ตรงนั้นห้านาทีสิบนาที ย0สิบนาทีก็ไม่พูดสักทีหนึ่งนะหลวงพีรูปนั้นก็เอ๊คนนี้ก็เอ๊เอ๊เอ๊จากเอ๊เอ๊ใจงหงุดหงิดนะเบื่อนะบางคนโกรธ ด, ด้วยเป็นชั่วโมงยังไม่พูดพอเสร็จแล้วท่านก็ลืมตาท่านก็เดินไปเลยแสดงโดยไม่ต้องแสดง ทำให้เราเห็นอารมณ์ตัวเองนั่นหละเกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เอฟังและป่าพื้นยินดีเป็นโอ้ฉันมีความรู้แล้วความรู้นะั้นไม่ใช่ความรู้ของเราเลยเป็นความจำที่คนอื่นเขาบอกเราเท่านั้นเองแต่นี่ท่านนั่งเฉยๆท่านทำให้เราเห็นอารมณ์เรานะนะให้เราเห็นขี้เรามีขี้งุดหิดขี้เบื่อขี้สงสัยนั่นหละสุดยอดเลยเราเกิดปัญญาแล้วไง วิปัสสนาเกิดแล้วแสดงโดยไม่ต้องแสดงนั่นหละการฟังธรรมที่เกิดประโยชน์สูงสุดคือฟังแล้วให้เห็นอารมณ์ตัวเองเห็นมันมบ่อยๆอารมณ์นั้นมันก็หลอกเราไม่ได้นะบาทีฟังแล้วมันก็แยง้งความรู้ที่เรามีอยู่มันก็แยง้งมันอะไรเนี่ยนั่นแหละเราก็เห็นตัวเองว่าเราเป็นอย่างไรเกิดประโยชน์ ไม่ใช่ฟังแล้วป่าปพื่มยินดีสนุกสนานเฮฮาอันนั้นเพิ่มอาหารให้กิเลสไม่ได้อะไรเลยปัญญาไม่เกิดนะทีนี้ข้อหกต่นนี้ตัวใหญ่เลยสุญญาตาคืออะไรตอนี้ก็ต้องระวังพูดเรื่องสุญญาตา มันมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่จะนิยามความหมายของคำคำนี้นะของคำว่าสุญญาตาเนี่ยภาษามันพวกพวกมันหยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นพูดปุ๊บเข้าใจเลยเนี่ยมันไม่ได้แต่ทีนี้เราเป็นมนุษย์เราก็ใช้ภาษาสื่อกันเท่าที่เราสื่อได้นะแต่มันไม่มีภาษาอะไรที่พูดปุ๊บทุกคนจะเข้าถึงตรงนั้นอาจจะเข้าใจไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้ คำคำนี้ไม่ได้สื่อถึงความจริงบางอย่างที่มีอยู่แล้วตั้งแต่แรกไม่ใช่ชื่อเรียกเรียกภาวะของความจริงที่ที่สุดบางอย่างมันไม่ใช่ชื่อเรียกซึ่งมีอยู่แล้วอย่างตายตัวนะมันไม่ใช่ตัวนั้นนะแต่คล้ายๆมันเป็นชื่อเรียกสภาพของความจริงที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องปฏิเสธไม่ได้ แต่ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะตามเหตุปัจจัยเราใช้ภาษาพูดอย่างคำว่าสุญญาตาเนี่ยเป็นเพียงเครื่องนำทางก่อนจะสัมผัสเข้าถึงความหมายของคำว่าสุญญาตาก็เพราะคำนี้ต้องต้องระวังค่ะพูดเหมือนเอาพูดทิพาน ตอนนี้ผู้รู้ทั้งสองคนคนหนึ่งแปลว่าอัตตาคนนึงแปลว่าอนัตตานั่นแหละเห็นไหมนิพพานไม่ได้สะกดจิตเลยไม่ไม่ได้สะกดผิดเลยทุกคนก็อ่านเป่องออกมานิพพานเหมือนกันคนนี้แปลว่าอนัตตาคนนี้ปล่อยแปลว่าอัตตาเถียงกันโยนยังไม่จบเลยนะคําว่าสุญญาตานี้ก็เหมือนกันทีนี้เราเราก็ยกตัวอย่างสรุกเข้าวๆบังเอิญพรกูเห็นคําถามนี้ แล้วบังเอิญไปดูนิเดสารเมื่อกี้ก่อนจะมาที่นี่นะเพราะแก้วตัวนี้ให้ไปเปิดดูบังเอิญไปเจออันหนึ่งเป็นสโลกธรรมของพระอาจารย์ว้ยหลางที่อาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านแปลออกมาอันนี้ดีมากนะซึ่งเรื่องนี้หลายปีก่อนพระครูเคยเอามาพูดอยู่ถ้าคนจําได้นะคือมันมีตอนนั้นพระสังฆาธิการเนี่ย ท่านจ ะ, กะเกษียณตัวเองแล้วอายุท่านมากแล้วท่านก็ใช้อุบายว่าให้พระคุนเจ้าในวัดเนี่ยลองเขียนสโลกธรรมขึ้นมาดูนะไม่มีใครกล้าเขียนเพราะอิทธิพลลองเจ้าอาวาสมากเหลือเกินไม่มีใครกล้าเขียนลองเจ้าอาวาสก็วันหนึ่งไปเขียนที่ที่กำแพงวัดท่านเขียนว่าลองเจ้าอาวาสนี้ชื่อ พระอาจารย์ชินเฉานะกายของเราคือต้นโพใจของเราคือกระจกเงาอันใสเราเช็ดมันอย่างเรามัดระวังทุกๆชั่วโมงและไม่ยอมให้ฝุ่นละอองมาจับมันเด็ดขาดท่านมุ่งมั่นมากท่านเขียนนั้นนะทีนี้พระสังฆาธิการก็มาเห็นปุ๊บเนี่ยนะท่านก็ใช้อุบายว่าเอ้า ทุกคนนี่อ่านนะอ่านนะน่าสนใจนะนะพระภิกษุในวัดก็อ่านท่องท่อท่อท่อท่อ่อบังเอิญไปท่องบนไปถึงในครัวพระอาจารย์ว้หลังนี่อ่านหนังสือไม่ออกนะหลายปีก่อนนี่อยู่ที่บ้านอ่านหนังสือไม่ออกนะอยู่ๆก็ดวงตาเห็นธรรมก็ได้ยินชื่อพระสังฆาธิการรูปนี้ก็เดินทางมากราบเป็นศิษฐ์ท่าน พระสังฆทาธิการเห็นจิตเลยนะเห็นวาลาจิตแล้วก็ส่งให้ไปทำงานที่ครัวเพราะกลัวเดี๋ยวจะโดนถูกฆ่าเพราะในวัดนั้นน่ก็มีอทธิพลทีนี้พระก็ไปท่องบนเนี่ยสโลปตรงนี้ว่าไอ้ตัวเราคือต้นโพใจของเราคือกระจกเงาอันใสเราเช็ดมันอย่างระมัดระวังทุกๆชั่วโมง และไม่ยอมให้ฝุ่นละอองมาจาับอาจารย์เว้ยหลางท่านได้ยินท่านก็บอกพาไปดูหน่อยเขาก็เล่าให้ฟังเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเนี่ยร อ, อ, องเจ้าวาดท่านเขียนสโลกนี้แล้วที่นี้พระสังฆารีการพยายามจะให้ทุกคนประกวดว่าใครแสดงทำอะไรเนี่ยท่านท่านจะเลือกให้คนมาดำรงตําแหน่งนี้าอาจารย์เว่ยหลางก็ให้ก็พาไปดูเขาก็อ่านให้ฟัง ท่านก็บอกช่วยเขียนหน่อยช่วยเขียนหน่อยท่านท่านเขียนหนังสือไม่เป็นนะคือก่อนที่จะจะท่าเขียนอะไรเดี๋ยวพ่อครูพูดถึงเรื่องนี้ให้จบก่อนเมื่อพระสังฆาธิการอ่านแล้วเนี่ยท่านก็ใช้อุบายให้คณะสงฆ์ไปท่องจําไปอะไรแต่กลางกลงดึกนั้นอะเที่ยงคืนท่านเรียกลองเจ้าวาดเข้าไปพบทีนี้พอมาปุ๊บท่านก็พูดตรงๆเลยว่า สโลกของเจ้าแสดงว่าเจ้ายังไม่รู้แจ้งจิตเดิมแทนะเจ้ามาถึงปากประตูแห่งความรู้แจ้งแล้วเป็นเวลานานแต่เจ้ายังไม่ได้ก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปการแสวงหาความตัดสลูอันสูงสุดด้วยความเข้าใจอย่างของเจ้าที่มีอยู่ขณะนี้นั้นยากที่จะสำเร็จได้ ท่านก็กล่าวต่อว่าการที่ใครจะบรรลุอนุตตะละสัมโพธิได้นั้นผู้นั้นจะต้องสามารถรู้แจ้งด้วยใจเองในธรรมชาติแท้ของตัวเองหรือที่เรียกว่าจิตเดิมแท้ช่วเวลาขณะจิตเดียวเท่านั้นผู้นั้นสามารถเห็นแจ้งจิตเดิมแท้ได้โดยตลอดการทั้งปวง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 ทั้งญี่ปุ่นเรียกว่าซาโตริผู้นั้นก็จะเป็นอิสระจากความหลงได้ตลอดการไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าสถานการณ์รอบข้ามจะเป็นเช่นไรใจของผู้นั้นก็จะยังคงอยู่ในสภาพแห่งความเป็นเช่นนั้นสถานะเช่นนี้ที่จิตได้บรรลุถึงนั่นแหละคือตัวสัจธรรมแท้ ไม่ใช่ตัวหนังสือที่ไหนไม่ใช่ความรู้ที่ไหนถ้าเจ้าสามารถเห็นสิ่งนั้นทิ่นทั้งปวงโดยลักษณะการเช่นนี้เจ้าจะได้รู้แจ้งจิตเดิมแพ้ซึ่งเป็นการตัดสู้อันสูงสุดทีนี้ส่วนพระอาจารย์เว้ยหลางก็ให้หลวงพี่ท่านหนึ่งเขียนให้ใหม่นะท่านเขียนว่าอย่างนี้ไม่มีต้นโพ ทั้งไม่มีกระจกเงาอันใสสะอาดเมื่อทุกสิ่งว่างเปล่าแล้วฝุ่นละอองจะจับอะไรได้นี่คือสุญญาตาต้นโพก็ไม่มีตัวเราก็ไม่ใช่ของเรามันไม่มีมันมีหูแต่เราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันนะอาจารย์เว้ยหลางนี่อ่านหนังสือไม่ออก แน่นอนสิ่งที่ท่านเป็นออกมาไม่เกิดจากการไปท่องจําคนอื่นเขามาพูดแล้วก็พอท่านสังเยยกเนี่ยไม่เห็นท่านก็เอารองเท้าของท่านเนี่ยไปเช็ดออกไปเช็ดออกเลยนะให้คณะสงฆ์เขามองเห็นเลยก็กลางดือดนั่นแหละท่านก็เรียกอาจารย์เวทหลังเข้าไปพบคือหน้าฉากต้องเช็ดออกคล้ายๆว่าท่านบอกไร้สาระ แต่กลางดึกเรียกเข้าไปพบเนี่ยท่านก็มอบไอ้สั ญ, ญลักษณ์ที่เป็นฉัญากเนี่มอบให้อาจารย์เว่หลังแล้วก็ให้ท่านหนีออกจากวัดนี้กลางดึกนั้นอันนี้จิตเห็นจิตถ้าท่านถืนอยู่ตรงนั้น่ะท่านอาจจะเป็นอันตรายนะอันนี้ก็คือคำว่าสุญญาตาเนี่ยมันเป็นภาษาพูด ก็เหมือนราบอกนิพานก็เป็นภาษาพูดถ้าเราไม่ไปเข้าถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะแปลเข้าข้างทิฏฐิมานะของตัวเองนะลองจเจ้าวาดความรู้ท่านก็เกิดจากว่าเออเออท่านเรียนท่านอ่านแล้วก็ท่านก็ปฏิบัติระดับหนึ่งแต่ท่านก็ไปติดในรูปแบบนะยังมีต้นโพยังมีกระจกเงาใสใช่ไมกระจกเงายังใสสะอาดถ้าไม่ขัดบ่อยๆมันก็หมัวมันก็เห็นตัวเองไม่ชัด นะขัดแล้วมันก็เปื้อนอีกขัดแล้วก็เปื้อนอีกถ้าเราทุบ ก, กระจกทิง้งซักต้องขัดไหมก็ไม่ต้องขัดแตหลักคือสุญญาตาว่างจากอัตตาก็ที่สําคัญที่สุดที่พูดเรื่องนี้คําถามมันหมดแล้วนะนะก็พระครูจะเน้นว่าธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะไอ้ที่ไม่มีธรรมะ นั่นแหละคือธรรมะปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะแล้วจะมีธรรมะได้อย่างไรปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะเพราะมันมีตัวกูของกูวิธีกูความเชื่อกูวิชากูธรรมะกลายเป็นตัวหนังสือเป็นดุนดุนมันจึงไม่ใช่ธรรมะธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะธรรมชาติเดิมไม่มีภาษา ไม่มีไม่มีภาษาตอนนี้ความรู้มาในรูปของภาษามันไม่ใช่เรื่องผิดพระไตรปิฎกเราก็มีนะแต่ผู้เจ้าบอกอย่าพึ่งเชื่อเพราะเขียนเป็นภาษาปุ๊บมันจะยากเกินไป <c oughs> ความรู้ที่เราเรียนรู้ทุกวันนี้เนี่ยถ้าเรารู้เราฟังคำ ตรข อ, องพระพุทธเจ้าฟังปุ๊บเกิดปัญญาเกิดสุตตะไม่ใช่ปัญญาแล้วให้ระวังความยึดมั่นถือมั่นวางตัวตนได้นั่นมีประโยชน์แต่ถ้าฟังปุ๊บเอาไปจำเนี่ยกลายเป็นสัญญาเพิ่มอัตตาว่าฉันเป็นผู้รู้ยิ่งเรียนก็ยิ่งมีอัตตาเยอะไปมองจับผิดคนอื่นอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แนวทางที่พระพุทธองค์ต้องการเรารู้เพื่อวางไม่ใช่ไปว่ารู้มากไปอวดรู้กันนะ ที่พกูพูดบางทีไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทบกระทั่งใครนะที่บอกว่าด็อกเตอร์สองคนคุยกันไม่รู้เรื่องชาวนาสอนควายไถายนาได้ไม่ใช่คนเป็นด็อกเตอร์ดีหรือไม่ดีคนเป็นด็อกเตอร์เป็นคนดีก็มีเยอะแต่เป็นคนชั่วก็มีมากคำว่าด็อกเตอร์คือมาตรวัดความรู้ ซึ่งเราเรียนรู้เขามีมันเป็นชื่อมาตรวัดความรู้ของเราไม่เกี่ยวกับตัวเราแต่ตอนนี้พอเราไปหลงว่าเราเป็นด็อกเตอร์ปุ๊บเนี่ยมันมีผลสนบับเราขึ้นเป็นอัตตาขึ้นมาเป็นหัวโกรแล้วเนี่ยเราก็หลงว่าเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนรู้เราไปว่าคนอื่นไม่รู้ไปสร้างวาจีจรกมเห็นไหมความรู้ทุกวันนี้มันเป็นแบบนั้นไงนะแต่ปัญญากับความรู้คนละเรื่องปัญญาไม่ได้ไปว่ารู้มาก คือรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็วางได้ทำให้ตัวเองพ้นทุกข์ได้จริงๆหยุดสร้างวัจจีกรรมมโนกรรมกายกรรมได้จริงจริงภาษาที่เป่งออกมามีแต่เรื่องให้ธรรมทานหมดไม่ใช่พูดพวกโอ้อวดหรือจะบาปใครหรือยกตนข่มท่านอันนั้นเป็นวัจจีกรรมนะปัญญาคือรู้แจ้งเห็นจริง แล้วก็ทำได้เลือกสร้างกรรมได้ทำให้ตัวเองพ้นทุกข์ได้นั่นคือ ป, ปัญญาอย่างยิ่งแต่ยุคนี้เนี่ยวิชาการต่างๆองค์ความรู้ต่างๆส่วนมากเกิดมาจากผ่านเรื่องภาษาไม่ใช่มันผิดนะภาษาเป็นกลางๆเราเข้าใจภาษาเนี่ยเราก็เอาภาษาสื่อกันเพื่อเข้าใจกัน แต่ถ้าว่าจิตไม่มีปัญญาเราก็ใช้ภาษาตามกิเลสเราเนี่ยเราก็ภาษาเนี่ยไปว่าเขาไปทะเลาะ ก, กันทุกวันนี้มันทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็ภาษานั่นแหละทาสานมันไม่เคยทะเลาะ ก, กับลิงเลยเห็นมเพราะมันไม่มีอัตตารู้มากทุกมากนะก็อ่านหนังสือบ้าง อ่านหนังสือบ้างแต่ไม่ต้องไปจําหนังสือบ้างไม่ต้องจําอ่านแล้เข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจผ่านแต่อ่านเยอะๆเป็นหนอนหนังสือนั่นไปสร้างอัตตาไปสร้างอัตตาไปหลงว่าฉันเป็นผู้รู้นะอันนั้นเป็นความรู้ผิดความรู้ใดที่ทําให้เราทุกข์นี่ถือว่าเป็นอวิชชาทั้งสิน้นวิชาชช้างสองตัวเนี่ คือความรู้ที่ถูกต้องรู้แล้วทําให้เราพ้นทุกข์ได้แต่ตอนนี้เราเรียนวิชาการชอช้างตัวเดียวเนี่ยเรียนเพื่อเป็นวิชาหาเงินวิชาสร้างอนาคตวิชาเพื่อจะเอาเปรียบคนอื่นอันนี้กลายเป็นอควิชามันเป็นความรู้ผิดทําให้เราสร้างอัตตาขึ้นมานะตอนนี้ เราเรียนรู้โดยเราไปนั่งฟังคนอื่นเขายัดเยียดความรู้ให้เราแล้วเราก็ไปอา่านแล้วก็ไปท่องจงแล้วเราหลงว่าเรารู้เราก็รู้นะแต่เรายังไม่รู้แจ้งเหมือนนาฬิกาเนี่ยพราะครูถามว่าสูงสุดเบอร์อะไรเลขอะไรทุกคนตอบเบอร์สิบสองนั่นแหละคำว่าดอกเตอร์คาว่าศาสตาจารย์เขาเรียนเพื่อสูงสุด ถามว่าจากเลขหกถึงเลขสิบสองกี่นาทีทุกคนตอบสามสิบนาทีถามว่าเลขหกมาถึงเลขหกกี่นาทีหกสิบนาทีสูงสุดคืนสู่สามัญเราเรียนวิชาการเรารอบรู้เรื่องวิชาที่เรียนแต่เราไม่รู้รอบเรื่องกฎแห่งกรรมเราก็เอาวิชาที่เรารู้เนี่ยไปสร้างกรรมใหม่ไปกล่าวโทษคนอื่นไปรันแก่คนอื่นไปเอาเปรียบคนอื่น อภัยทานก็ไม่มีนั่นแหละคือความรู้แบบโลกิยะถ้าเรารู้รอบนะเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราเห็นในกอตีในขอศาลตัดสินว่าเฮ้ย hey, พยานหลักฐานชัดเจนวีดีโอถ่ายก็เห็นกล้องมนจรจะเห็นหมดเลยนกอตีในขอจริงๆบอกในกอผิดเอาไปจำคุกพระรูปเจ้าบอก อาโหสิกรรมเราบอกได้ยังไงได้ไงมันผิดไงเห็นกับตาเลยมีพยานหลักฐานมันผิดไงเอ้าถ้าไม่มีคนผิดเราจะให้อาภัยใครล่ะอยู่ๆเดินไปฉันให้อาภัยเธอนะมันมองหน้าแล้วมันงงไงบางทีมันเตะเราด้วยมันให้อาภายัยกูทาไมศาลเขาไม่เคยเห็นว่าสมัยในขอตีในก่อ มันไม่ได้เกิดขึ้น ล, ลอยๆมันมีเหตุของมันอยู่พวกครูก็ยกตัวอย่างบ่อยๆละ่ะไอ้ตัวนี้ยังขายได้อยู่เพราะมันชัดสตีท่านหนึ่งขับรถไปยางระเบิดชายห้าคนขับรถมาแก้ปัญหาให้อีกท่านหนึ่งก็มาที่เก่าเวลาเดิมจากควนละวันผู้หญิงเหมือนกันยางระเบิดไปเจอชายห้าคนคนใหม่ขับรถมาฆ่าขมขืน อุบัติเหตุทั้งสองอย่างนี้ถามว่าทําไมคนนี้รอดทําไมคนนี้ตายเราไปเข้าใจว่าบังเอิญบังเอิญไอ้คนนี้มันเจอห้าคนใจดีมาช่วยมันอันนี้บังเอิญดีกไปเจอไอ้ห้าคนมันโหดร้ายมันฆ่าข่มขืนบังเอิญไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างบังเอิญอุบัติเหตุแปลว่าอุบัติขึ้นตามเหตุที่เคยสร้างมาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างบังเอิญ ทำไมชาตินี้เราบังเอิญมาเจอกันบังเอิญเหรอบังเอิญเหรอไม่มีมันมีเหตุของมันอยู่ถ้าไม่ร่วมสร้างบุญกันมาเลยไม่ได้มาเจอกันอยู่ที่นี้แต่ในาคารเดียวกันเราก็เคยสร้างกรรมมาด้วยกันอย่างพี่น้องท้องแม่เดียวกันเนี่ยเกิดฝาแฝดออกมาคนนี้ไอคิวสูงไอนี้ไอคิวต่ำดีเอเหมือนกันเลยนะไอนี้ขี้แยนี่ไม่ขี้แยไอันนี้ขี้โกงไอนี้ขี้เมตตา ถามว่าทําไมยังไม่ได้สอนมันเลยในอดีตเราเคยเป็นส่วงเราเป็นพี่น้องกันเราก็รักกันแล้วเราก็เราก็โกรธกั น, แ ล, ก แ, ลกกนแล้วก็ตีกันเราก็ฆ่ากันทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบนั่นแหละมันมีทั้งสองด้านอยู่ที่ว่าด้านบวกใครมากกว่าคนนั้นก็ไปรอดนะไม่งั้นมันก็ชักเขย่าดึงกันไปดึงกันมากฎแห่งกรรมมีจริงไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างบังเอิญ อุบัติเหตุอุบัติขึ้นตามเหตุที่เคยสร้างมาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดผู้เจ้าทุ่บอกว่าต้องเอาหสิกรรมในกอตีในขอเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆศาลไม่เคยเห็นตอนในขอตีในกอต้องแก้โดยเอาหสิกรรมปาเลสไตน์ฆ่าอิสราเอลอิสราเอลฆ่าปาเลสไตน์ มึงฆ่ากูก่อนกูฆ่ามึงก่อนมึงฆ่าพ่อกูมึงฆ่าลูกกูแก้ยังไงหมดแต่เถียงอยู่นั่นแหละเดี๋ยวลูกหลานเราก็ตายอีกแก้อย่างเดียวคือเอาหัิกรรมเวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรอันนี้กัดไม่ปล่อยแคนนี่ต้องชำระสิบปียังไม่สายไม่ใช่สิบปีนะผ่านไปเก้าปีสิบเอ็ดเดือน 29วันแล้ว อ, อีกวันหนึ่งจะหมดวีซ่าแล้วคืนนั้นคิดถึงมันอีกวีนอีกแค้ ม, มันมากต่อวีซ่าไปอีกสิปีตายแล้วเอาไปเผาไอศีลลี้ยกายเนี่ยมันประกอบด้วยน้ำฝ น, นก็กลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือเป็นธาตุดินธรรมชาติบอกอย่าคา้ากําไรเกินควรเอกกรรมที่มันบันทึกอยู่ในจิตวิญญาณน่ยมันไม่ให้เราเผาง่ายๆกลายเป็นแค้นั้นกลายเป็นพยาบาทแบกข้ามภพข้ามชาติเห็นไหม เกิดมาเจอในกอเนี่ยถูกชะตามากเลยเจอในขอหมันใส่มันมากเลยถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นไม่เคยรู้จักกันเลยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยลอยมันมีเหตุของมันอยู่เอาล่ะพ่อครูพูดเอาล่ะส้ว่าศรัทธาพ่ากูมันเข้าใจมันไม่เข้าจิตแล้วถามว่าแล้วไงล่ะพิสูจน์ยังไงล่ะแล้วไงล่ะพิสูจน์ยังไงล่ะก็ทำซี่ ผู้เจ้าบอกท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตทำ ก, ก, ก, กล้ากลัวเพราะสูกไอความรู้มันดึงไว้กลัวถูกหลอกไอกลัวหลงทางกลัวอะไรเนี่ยแล้วมันจะไปได้ยังไงล่ะอย่าพึ่งเชื่ออะไรไง่ายๆใช้สติปัญญาแต่ถ้าศรัทธาแล้วอย่าลังเลอย่าเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เราอย่าพึ่งเชื่อตำราแต่ศรัทธาในสิ่งที่เราทำศรัทธาในจิตเรา จิตเป็นนายกายเป็นเบาถ้าจิตมันอยากฆ่าร่างกายนี้ตายเลยอย่าไปอยู่เลยเสียเวลาบอกมึงตายเลยฉันก็เหนื่อยแล้วขี้เกียจจิตมันไม่ทำหรอกมันต้องอาศัยร่างนี้เป็นเครื่องมือเดินทางอันนี้ไม่เชื่อจิตตัวเองไปเชื่อเขาบอกโอ้ยตัว น, นั้นศักดิ์สิทธิ์นะขังนะไปไม่ไปรับขันไหมขันห้ามก็หนักจะตายแล้วเนี่ยไปเปิดรับขันหกขันเจ็ด เชื่อเขาดีมากเพราะขี้เกียจไงขี้เกียจปฏิบัติเองไงผู้เจ้าบอกอัตเถียอัตโนนาโถเห็นไหมอุ้ยไปรับสบายมากเขาเอาพลังพิเศษให้เรามันเป็นอุปทานนะอุ้ยได้ของดีแล้วเราก็ลืมอารมณ์ที่เรากลัวอันนั้นเป็นอุปทานสร้างอุปทานใหม่มากบเกือนอุปทานเก่าเหมือนมันหายนะมันเหมือนหายเฉยๆแต่มันไม่ได้หาย กระแสะกรรมมันก็ยังอยู่ถ้าทัานเหมือนกันได้ก็ดีสิก็สร้างกรรมกันเยอะๆแล้วก็ไปรับขันหกขันเจ็ดขันแปดให้มันมารักษาเราสิยังอย่าไปอ้างบริเจ้านะถ้าทำแบบนั้นไม่ใช่จะทำอะไรก็ทำไปเป็นสิทธิแต่ผู้เจ้าไม่ได้บอกให้ทำอย่างนั้นผู้เจ้าบอกให้พึ่งตนเองนะพึ่งตนเองปฏิบัติเองเรายกเราก็หนัก ระวังแล้วก็เบาคนอื่นจะแบกก็แบกไปเป็นสิทธิของเขาอย่าไปว่าเขาด้วยนะอย่าไปแย่งงานยมพบารทำยมพบาลโกรธมากไม่ใช่หน้าที่ของเธอเผลอตกแล้วลกขึ้นไปเนี่ยยมพบาลเนี่ยลงโทษไม่มีวันผุดวันเกิดอันนั้นไม่ใช่มีวันผลเกิดเป็นนิพพานนะไม่ใช่นะมันเกิดอีกหลายชาติแต่มันเกิดช้าหน่อยนึงนะมันคนละอย่าง ก็ผู้เจ้าสอนพ่อครูไม่บอกว่าเป็ น, ปนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์วิชาเล็กนิดเดียวเองมางเกินไปนค้นพบในความจริงในบางอย่างของธรรมชาติตอนนั้นเองมันไม่ได้เก่งเท่าไหร่เห็นไหมวิทยาศาสตร์มันไปนค้นพบยี่บหกปีก่อนพ่อครูมาเห็นนะตายายคนหนึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปหมดแล้วละ่ะยี่หกปีก่อน เขาเลื่อยไม้เลื่อยไ ม, ม้ เ, เลื่อยไม้เพราะกูขับรถผ่านก็เห็นเขาเลื่อยไม้เลื่อยไม้พอเลื่อยกว่าจะล้มต้นหนึ่งเขาก็พาพ่าพ่าเอามาสร้างบ้านสร้างบ้านหลายปีกว่าจะเสร็จทีนี้วิทยาศาสตร์ของสงสารคุณตาคุณยายนี่นะก็ไปคินคินดคิดคิดคิดอะไรล่ะคิดคนสําเร็จเลยไอ้เลื่อยเครื่องอต้นไม้ร้อยปีกูเอาสามนาทีจบ ล้างผ่านจมูก น, นี่คือวิทยาศาสตร์ไงแต่ไม่ใช่ความคิดแบบวิทยาศาสตร์มันไม่ดีแต่ขบวนการวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือของทุนนิยมวัตถุนิยมแล้วคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ระวังตัวเหมือนคนเป็นพุทธศาสนิกชนเราเนี่ยนะเห็นไหมตอนนี้น่ากลัวไหมเรากำลังจะป็ฏิรูปจะปะ็นรูปด้วยนะปฏิรูปศาสนาอยู่นะเขาฝังดีเขาปฏิรูป แต่พ่อ ก, กูกำลังฟังอยู่จะไปตัวรูปอะไราศาสนาไม่มีอะไรเสียหายคําสอนพระเจ้ากี่กี่ล้านปีก็คงอยู่เพียงแต่ว่าไอ้คนในศาสนาเนี่ยไม่ระวังนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ระวังความคิดแบบวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ดีไม่ต้องเชื่ออะไรง่ายๆต้องพิสูจน์พิสูจนพ์พิสูจน์ ด, ด้วยตัวเราเองมันก็ถูกต้องแล้วแต่บังเอิญพิสูจน์อะไรทําไมไม่ไปนค้นพบให้ไปค้นคนว้าไอ้เครื่องมือที่ เอามาให้พ่อกูสักอันหนึ่งหน่อยค้อนยางตีหัวปุ๊บบรรลุธรรมเลยไงรอมาตั้งนานแล้วไม่มีนักวิทยาศาสตร์ทําให้เลยมีแต่ไปวิจัยไอ้เทคโนโลยีที่มันทําลายโลกทําลายสิ่งแวดล้อมน้ำมันอยู่ดีๆของมันน่ะกว่าจะเป็นน้ำมันกี่ล้านปีรู้ไหมเจาะขึ้นมาวันหนึ่งหลายล้านมาเร็วถ้าไม่มีนักวิทยาศาสตร์ทาได้ไมไม่ได้ แล้วตอนนี้ข้างล่างเป็นพรงหมดแล้วล่ะแล้วเอามาเผาผลาญกันสร้างบนภาวะอีกอันนี้คือวิทยาศาสต ร, ร์ไงอุ๊ยฉันช่วยประเทศฉันช่วยโลกเอาเอ า, เอาตอนนี้เอาใ ค, ใครจะมาคุยกับพ่อครูก็ได้นะประเทศไหนอ่ะประเทศไหนชี้ประเทศไหนอเมริกาไงเขาเจริญไงผูค้ครูเคยอยู่ที่นู้นนะเศรษฐกิจสังคมการเมืองอันดับหนึ่งของโลกไงแล้วล่างผลาญทรัพยากรของโลกหมด แล้ตอนนี้ทำไมเป็นหนี้มากที่สุดในโลกอ่ะอ้าช่วยเหรอเวียาศาส์ช่วยประเทศอเมริกาช่วยประเทศไทยเหรอช่วยโลกจริงๆเหรอเห็นไหมล่ะนั่นแหละหวังดีประสงค์ลายโดยพ่อคูพูดเรื่องเต่าล้านปีตอนนี้เขาไปไหนก็ไม่รู้ไม่พ่อคูไม่ได้พูดเรื่องเต่าล้านปีหรือพูดถึงเรื่องอจัลลวดนิวเคียอะไรอย่างพวกพคูพูดความจริง ศาสนาพุทธไม่ได้มองโลกในแง่ลายศาสนาพุทธไม่ได้มองโลกในแง่ดีศาสนาพุทธมองโลกในแง่ความเป็นจริงแต่ตอนนี้ความเก่งความสามารถวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วไปเพื่อไปค้นพบความจริงนั่นแหละแต่ เ, เมื่อไปเจอความจริงบางอย่างแล้วเนี่ยแทนที่จะเอามาปลดปล่อยให้มนุษย์พ้นทุกข์ เอาความจริงบางอย่างนั้นไปเพิ่มทุกข์ให้เขาแล้วไปทำลายบ้านตัวเองเนี่ยมันเก่งจริงเหรอนะทำไมพวกกูพูดเรื่องนี้ก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญในโลกใบนี้ในยุคปัจจุบันนี้เนะมื่อวานนี้ตอนนี้ก็ดีข่าวนะเขากำลังปัิรูปการศึกษาเรามีโรงเรียนนะพวกกูก็เงี้ยหูฝังออกมึงออพูดอยู่นั่นแหละ ไม่เป็นรูปเป็นร่างสักทีหนึ่ ง, งตอนนี้เอามาใหม่ว่าเออแปดหมวดวิชามันเยอะไปให้เหลือห้านะมาสอบโอนิทให้เหลือห้าอะไรก็แล้วแต่บางคนก็ต้านอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็มัธยมนี่ก็ให้เป็นโรงเรียนเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือบูรณาการแบบว่าผสมประสานกับการปฏิบัติจริงเรากลาลังทำอยู่ คือจุดเริ่มต้นของชีวิตเราตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิดเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วใช่ไหมเราก็ดํารีไม่ชอบเราเห็นผิดเป็นชอบเราก็ดํารีไม่ชอบการศึกษามันก็ไม่ชอบเราไม่ได้ทำเพื่อชีวิตเราทําเพื่อสร้างอนาคตเราชีวิตเราไปทุกเพื่อสร้างอนาคตคุณจะสอนเก่งอะไรแค่ไหนก็ช่างนั่นแหละยิ่งเก่งจนเป็นนักเตอ๋อเป็นาศาสตราจารย์แล้วไปผลิตเครื่องมือมาฆ่ากันไง ที่ก็บอกว่ากระดุมเม็ดแรกมันใส่ผิดแล้วเนี่ยเม็ดอื่นใส่ถูกแค่ไหนมันก็ผิดไงเพราะจุดเริ่มต้นเราตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิดแล้วเอาความเก่งของมนุษย์ยุคนี้เนี่ยเทคโนโลยีเก่งมากพวกกูว่าเก่งจริงๆนี่ต้องสร้างเครื่องมือพวกกูอย่างหนึ่ง น, นั่นแหละเอาค้อนอย่างนี่ตีหัวพวุกบรรดุทาหมดเลยสร้างสิไปสร้างเครื่องมือทาลายโลกทาไม นี่แหละเราเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวตอนนี้ธรรมะก็พัฒนาไปอยู่ไม่ใช่เห็นกงจักเป็นดอกบัวนะเห็นกงจักเป็นดอกสากุละเห็นไหมถ้าไม่สํารวมระวังมันเป็นยังไงล่ะกิเลสมันไม่ได้สนใจหรอกเธอจะแต่งชุดอะไรเธอจะเป็นอาชีพอะไรเธอจะตําแหน่งไหน มันกินได้หมดล่ะมันแทรกหมดนะถ้าเราไม่มุ่งมั่นศรัทธาทําจริงๆแล้วเนี่ยทั้งทางโลกทางธรรมเนี่ยอะไรก็ช่างถ้าไม่ตั้งมั่นตั้งมั่นคือต้องมีแรงศรัทธาด้วยเมื่อศรัทธามันก็มีวิริยะจิตมันก็ตั้งมั่นมันมีกําลังอยู่กับสิ่งที่เราดาเนินเนี่ยกิเลสมามันก็ออกมาขวางเราเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาไงแต่ถ้าเราตั้งมั่นเนี่ยเราไม่ดุจจาก จากทางที่เราเดินจับแม่นๆนะเมื่อเราตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยสติมันก็ตื่นรู้ปัญญาก็เกิดมาเห็นไหมไอ้ตัวมิวิมังสาเนี่ยมันก็เมื่อเมื่อเราสนใจแล้วเราก็เกิดทักษะทําไปอย่างนั้นแหละทำไปก็เบื่อเว้ยแล้วมันจะไปเกิดทักษะได้ยังไงเนี่ยถ้าเราฟังพระพุทธเจ้าแล้วเราทําตามพระองค์เราก็ง่ายง่ายไม่รู้อะไรง่ายกว่านี้อีกนะไม่มีอะไรไม่ต้องใช้เทคโนโลยี ไม่ต้องไปเรียนจนแทบตายเห็นไหมไม่ต้องเสียเงินไปเรียนแล้วก็เสียเวลาชีวิตยี่สิบสามสิบปีเนะี่ยไปเรียนวิชาแล้วเอาวิชามามาทำงานเพื่อจะเลี้ยงชีพอย่างนี้ไปเรียนวิชาทาสานดีกว่าไม่ต้องเรียนให้มันเสียตังค์ทาสานก็อยู่ได้ตอนนี้เราจเจริญจนเขานั่งคุยกันอนะรู้ไหมตอนนี้นะักวิชาการเขานั่งคุยกันอะไรนะ่ะ เขามาวางแผนว่าจ ะ, กะเกษียณอย่างไรหลังกเกษียณจะอยู่ยังไงเขาอยู่ยังไง ร, รู้ไหมเขาบอกคนคนหนึ่งอย่างน้นอยๆต้องมีเงินเหลือห้าล้าน <c oughs> มึงถึงจะอยู่ได้ทํางานเรียนมาตลอดชีวิตทํางานมาตลอดชีวิตแค่ว่ากูต้องหาเงินห้าล้านแล้วตอนกเกษียณนี่ยกูจะอยู่ได้มนุษย์เรามันฉลาดแค่นั้น มันฉลาดแค่นั้นนหไม่ไปเรียนกับทาศานหน่อยหรือเรียนกับลีงก็ได้มันไม่ต้องเรียนหนักหนาสาหัสเรียนก็เครียดไปทำงานก็เครียดแล้วถ้าไม่มีเงินห้าล้านน่มึงตายลูกเดียวตอนแก่มันรู้ไปอยู่ที่ไหนนี่คือความตกต่ำของมนุษย์ต้นเหตุคือเราเห็นผิดเป็นชอบ เราไม่เข้าใจชีวิตบางคนเบื่อโลกแล้วมาเดินสายธรรมแล้วก็ไปติดบ่วงอีกไปติดบ่วงความรู้แบบตักกะแบบทฤษฎีไปท่องจำอยู่ตัว น, นั้นแล้วเอาความจำมานั่งทะเลาะกันมาเถียงกันวันนีพผ่านเป็นอัตตาณตามันไม่มีสาระอะไรพ่อครูเอาชีวิตพ่อครูผ่าน เ ห, หมเมื่อกี้พักกูบังเอิญไปเจอที่อาจารย์บุ ธ, ธาท่านแปลเรื่องอาจารย์เว้ยหลาังพักกูอา่านพักกูก็ไม่ใช่เข้าใจนะจิตมันรู้เลยก็มันผ่านมาแล้วไงไอ้คาว่าวินัยทีเดียวมันก็เหมือนกันเมื่อเราเข้าถึงเราก็ธรรมะอันเดียวกันส่วนจะเป็นภาษาไทยเป็นภาษาบาลีสันสกษษิตหรืออินเดียโบราณหรือเป็นภาษาอังกฤษน่ยมันเป็นภาษาที่มนุษย์สมมุติขึ้นมันไม่ใช่ความจริง ไอเป็นออกมาเป็นแค่ความเห็นมันไม่ใช่ความจริงแต่ถ้าเราเข้าไปถึงความจริงแล้วเนี่ย พ, พ่อครูใช้ว่าเราจะสะโลราฟเราจะเลิกนับถือพระเจ้าทันทีเพราะเขาว่าคําว่านับถือนี่มันหยาบไปเราจะบูชาถวายชีวิตพระองค์ไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นไม่มีอะไรที่เด็ดขาดแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตอย่างเบ็ดเสร็จ ไม่ใช่ชีวิตชาติเดียวด้วยชีวิตในวัฏสงสารแต่ทุกวันนี้เราไปติดบ่วงนะมีบางคนเนี่ยเคารพนับถือแม้กระทั่งบูชามหาธรรมะคันทีสมัยเด็กๆเนี่ยพ่อครูก็ยึดท่านเป็นสรณะเป็นบุคคลในจินตนาการพ่อครู แต่หลังจากพวกครูเกิดอาการระเบิดแล้วเนี่ยพ่ครูไม่กล้าพูดว่าสงสารท่านท่านยิ่งใหญ่มากแต่พ่อครูเห็นว่ามันเป็นแค่อุดมการมันไม่ใช่ธรรมะท่านเสียสละเพื่อต่อสู้กับผู้บุกลุกโดยใช้วิธีอหิงสานะอดข้าวอดน้าจนขับไล่ผู้บุกลุกได้ คนอินเดียดีใจกันไม่กี่วันท่านก็ถูกคนอินเดียด้วยกันเองฆ่าตายมันไม่จบหรอกเราจะฆ่าคนชั่วในสายตาเราให้มันหมดจากโลกนี้เลยคนชั่วใหม่เกิดขึ้นที่เราไปฆ่าเขาเนี่ยเราชั่วอย่างยิ่งก็เกิดขึ้นมาใหม่เห็นไหมเป็นแค่อุดมการไม่ใช่แต่ในทางโลกถือว่า เสียสละแท้สองสรรเสริญแต่อย่าจะเอามารวมกันโดยเฉพาะท่านก็ไม่นับถือพุทธศาสนาพวกครูไม่ใช่มีอุดมการไม่ใช่ว่าเป็นลัทธินิยมเป็นศาสนานิยมไม่ใช่แต่คนพูดเองก็ไปอ้างโน่นอ้างนี่ไม่เข้าใจแก่นคำสอนพุทธเจ้าจริงๆประเทศก็ไม่มี ธรรมชาติไม่มีประเทศไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละแต่มนุษย์เราเนื่องจากว่าไปติดดีเป็นอุดมการนะไปทะเลาะเบาอแวงกันไปแย่งชิงกันมันไม่จบมันไม่ใช่ทางบนทุกขนั่นแหละถ้าเราอุตส่ามีบุญแล้วมาเจอคำสอนพุทธเจ้าอยากเพิ่งเชื่อ อย่าเพิ่งปฏิเสธอย่าแค่เอาคำพูดพุทธเจ้าเนี่ยมาแอบอ้างมายัดเยียดให้คนอื่นต้องไปท่องจำนะคำพูดพระองค์พระองค์บอกแล้วอย่าเพิ่งเชื่อเพราะภาษามันเป่งออกมาบัญยาบทำตามที่พระองค์เคยทำพระองค์ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเลยพระองค์เริ่มจากปฏิบัติก่อนลองถูกลองผิดอยู่หกพันษา เมื่อตัดสั้ธรรมเข้าสู่ปฏิเวศก็สิ่งที่พระ อ, องค์รู้พระ อ, องค์เห็นเนี่ยมาบอกกล่าวเป็นรูปของภาษาจะเป็นพระอา น, นุ์หรือเปล่ามาจดไว้เพื่อนฝรั่งพ่อครูมันไม่เชื่อมันบอกนิทานปลัมปลาก็เรื่องของเขาพ่อครูไม่สนใจหรอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะหรือไม่แต่ดวงจิตดวงนั้นมีจริง คำสอนพระ อ, องค์ทำให้เราพ้นทุกได้จริงแค่นั้นพอแล้วแม้กระทั่งคำว่าพุทธศาสนาพระ อ, องค์เองพระองค์เองก็ตัดไว้ว่าอยู่ได้ประมาณห้าพันปีมันก็เป็นองค์กรที่สมมติขึ้นมามันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่มันจะเปลี่ยนชื่ออะไรใหม่ก็ช่างศาสนาหนก็ช่างน่ะมันไม่ใช่สาระอะไรแต่ความจริงที่พระพุทธเจ้าไปตัดสรูนั้นน่ะมันไม่หายไปไหนอีกอกี่ล้านปีก็คงอยู่ ถ้าบาังเอิญมีผู้ใดนอยู่ในมัดในทางพระอรหันต์ไม่หมดไปจากโลกจักรวาล น, นี้ยละคำวันิพานเนี่ยไม่ใช่ของาศาสนาใดไม่ใช่เป็นของสากลมนุษย์โลกนะเป็นสากลจักรวาลบังเอิญเจ้าชายเฉลิฐถากปตรัสรู้แล้วพระองค์ไปเน้นสิ่งนี้เน้นมากกว่ า, าศาสนาอื่นเท่านั้นเองมันเป็นสากล น, นะ ก็พวกเราไม่ต้องท้อถอยวันนี้อยู่ๆจิตมันก็ดึงไปพูดถึงเซนหมดก็จะใช้กันก็ใช้เซนแล้วก็คําสุดท้ายก็ใช้เซนเหมือนเก่านะเมื่อประตูแห่งความรู้แจ้งยังไม่เปิดฉันก็ได้แต่เพียงเฝ้าดูจิตฉันเลื่อยไปอย่าท้อถอยโอเคนะสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาล